อยู่ในมือถ่านยังพูดสึขขงการขอขอผ่านไปด้วยเหตุผลให้สิมีมูลได้เข้าใจา ก, การเที่ยวตามบริเวณวัดซึ่งใม่ใช่เร่ำเวล า, ลารเราก็ตื่นให้ตับกิจการงานภายในวัดที่ก่อความกังบลให้เป็นค่าสุดธแก่ทางพุะทธภาวนา พอไม่ให้มีให้มีเฉพาะงานจําเป็นซึ่งเป็นงา น, ท, อองนที่เพื่อตอบถอนี่เลยโดยไข่ยเยอะเท่านั้นตามเยี่ยนอย่างกฎเกณีของพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายที่ทรงดำเนินและดำเนินหรือทรงพาดำเนิน เพราะเรื่องของพระเราไม่มีจุดการงานใดจะเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานจิตติภาวานาเพื่อการถอดถอนที่เหล็กทุกประเภทซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจของตนทุกขณะถ้ามีสติต้องทราบไปทุกระยะว่าภาพสินั้นไม่อยู่ในสถานที่ใด สมุทรไทยมีอยู่ในสถานที่ใดา50ย่อมอยู่ในสถานที่นั้นผลที่เกิดขึ้นจากการรังควาหรือทําลายจากา50คือสมุทรไทยก็คือทุนแสดงขึ้นมาที่ใจไม่มีที่อืน่นใดพอจะเป็นที่สงสยัยในการแก้ไขหรือปราบตามสิ่งที่เป็นไปแก่ตนเองท่านกล่าวไว้ใน คำว่าอาริยสัจทั้งสิงทุกมีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุทัยตัวก่อนอยท่านจ้งเรียกว่าสมุทยัยแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกเกิดที่ดวงใจดวงนั้นเนืโรดเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้มากน้อยระงับดับทุกไปโดยลาดับมรรค ได้แต่สรุปปันแล้วได้แต่ศีลสมาธิปัญญาศีลต่างองค์ก็ต่างรักษาอยู่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นเครื่องกังวลในเรื่องศีลของตนซึ่งควรจะทจําจิตใจให้มีความสงบสุมเย็นด้วยความเพียรไม่มีนิวร์เกี่ยวกับเรื่องศีลไม่บริสุทธ์ด่างร้อยต่างๆเข้ามารุ่งเย็นวุ่นวาย ความเพียนย่อมเป็นไปเพื่อความสงบมันเป็นสิ่งที่มุ่งผสมมักแปกมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะหมายถึงองค์ปัญญาซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดออกหน้าสุด ปัญญาเราจะใช้ในสถานที่เช่นไหนจิตจะกํากับงานเช่นไหสติเป็นเครื่องกํากับงานที่ตนทําได้แก่พิจารณาสังเกตสอดรู้จิตอยู่เสมออย่าลดละเครื่องของสติเป็นความจําเป็นอยู่ตลอดกิริยาบทความเคลื่อนไหวออกมาขอให้มีสตินี้เป็นการสั่งสมสติให้มีความรู้รั ตัวอยู่ทุกขยะจนสืบเนื่องเป็นสัมปัชัญญาสติความระลึกได้ถ้าเกิดเป็นพักพักเมื่อฝืกเนื่องกันต่อไปโดยลำหลั ง, ลงเพราะการอบรมอยู่เสมอการบําบุงอยู่เสมอย่อมกลายเป็นสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวฝืกเนื่องกันไปจากนั้นก็กลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ดูเด็กสิเราเคยเป็นเด็กมาด้วยกันทุกคนเด็กเติบโตด้วย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 อย่าเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไอๆเติบแต่เติบโ ต, ะ ต, ะ ต, ะตะขึ้นมาจากการบำรุงการรักษาทุกด้านทุกแงก่ทุกมุมเรื่องของจิตอยู่เฉยๆจะให้มีความเจริญรู่งเรืองขึ้นไปดูในพั ง, งของของส่วนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จิตไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ต้องอาศัยที่เลี้ยง นี่ก็ต้องเอาใช้สติปัญญานี่จะทาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเสมอสติกับปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการบําเพ็ญสติสัมปัตตปัฏิยาตามหลักธรรมท่งโประกาศไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยสติเป็นธรรมที่จําปราถนาในที่ทั้งปวงตั้งเด็ดสติเป็นของสําคัญ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรหมายทึงองค์ปัญญาค้นลงที <no ่ร่างกายและจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันกับอุปาทานเพราะความหลงของจิตการแก้ความหลงของจิตจะต้องแก้ด้วยความรู้ความฉลาดหมายถึงสติปัญญาหมายถึงใช้หมายถึงสติปัญญาการที่จะช่วยเหลือจิตได้ต้องอาศัยสติเป็นคู่กระทพกระทองตามรักษาเหมือนเด็ก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 อันตรายจะเกิดได้ยากคำว่าอันตรายหมายถึงอะไรเราจะหมายถึงรูปถึงติเสียงกลิ่นรดเครื่องทั้งปัตชซึ่งเป็นของอยู่ภายนอกนั้นมากไป ก, กว่าอันตรายคือสมุนไพรซึ่งเกิดขึ้นจากใจของเหล่านี้โดยอาศัยการเคยได้เห็นได้ยินลงกลิ่นริมริมรสซึ่งเป็นอตีตาลง เ, นนะเข้ามาประมวลไว้ในจิต การหนึ่งเชื้อของจิตมันก็เป็นมีอยู่แล้ววิเิยะที่เป็นเชื้อมันย่มอมคอยผักดันจิตใจออกเสมอออกนอกทู้นอกทางถ้าสติไม่มีจิตใจก็เสียได้ในตอนนั้นเช่นเดียวกับเด็กถ้ามันมีที่เลี้ยงตามราาักษาเด็กก็เป็นอันตรายได้ตกน้ําเข้าไปตกบ้านตกเรือนตกเหนียวตกบอก่อเครื่องช่วยอันตรายแล้วร่อแหลงมากเพรานักเด็กกล้าเสาะจากที่เลี้ยง จิตใจที่ปราศจากที่เลี้ยงคือสติและปัญญาก็ย่อมเป็นนั่นเหมือนกันทั้งนั้นการภาวนาที่ไม่เป็นไปดังใจหวังก็เพราะความโลเลของสติปัญญาไม่มล่ อ, อยให้จิตคิดไปตามอำเภอใจด้วยอำนาจแห่งความขักดันของอันตรายได้แก่ข้ามือไผ่คือีเล็ก การมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่เป็นตัวอย่ า, ขางของกิเลศรากเน่าข้อมูลของติเลศก็เมื่อกระจายไปต้นจนมันมากเช่นเดียวตับต้นไม้เชียงต้นเดียวเท่านั้นรากขอมีมากนอกจากนั้นมีรากแก้วที่ฝังลึกลงไปอีกด้วยกิีบก้านสาขาดอกใบมีมากมายนับกี่วันกี่คืนก็ไม่ครบถ้วนได้มีเรื่องกระแสของติเลศที่กระจายไปจาก ความโลภความโสดความหมหองยุราพระตัณหานี้พันานามไม่จบถ้าเราตามเงามาันตนอกจากเรามีสติคอยสังเกตสอดรู้อยู่ที่ใจซึ่งจะซึ่งเป็นฐานที่เกิดของอันตรายคือสมุ ท, ทัยจิตะระเบิดจิตที่มีความถุกให้แตกกระจายไปด้วยความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไฟทั้งก่อถึองเรียกว่าอันตรายศพเหมาะ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 เราเคยเห็นในตำลักตำลาด้วยกันทุกคนในครั้งุูตการท่านเป็นไม่ไม่ไมว่าสาวกองใดออกมาจากสกุลใดก็เช่นเดียวยง ก, กับปัจจุบันนี้ออกมาจากสกุลพระราชามหาษัตริย์เศรษฐีตุดิ์ผีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามารวมกัน ในวงพระศาสนามีพระโรมาสดาเป็นครูท่านเอกตรงให้การแนะนำการสอนเมื่อถึงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านเหล่านั้นไม่เสียดายชีวิตจิตใจไม่เสียดายบริษัทธริวารไม่เสียดายทรัพย์สมบัติอันใดทั้งหมดที่ออกมาจากตระคุณมั่งมีก็ตามประคุณใดก็ตามมีความมุ่งมั่น ในการที่จะปอดถอนกิเลสด้วยความเพียรตามสถานที่เหมาะสมดังที่ทานกจ้าไว้ว่าลุกขมูลเซน า, นานสันงในใายากับประชาตัถเตยาวชียังในศร้าห้วยพร่นอยู่บรรพชาประสมหมดแล้วให้เธอทั้งหลายจงตออแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลคือล่มไม้ทายป่าชายขาวดำทำเนื่อมผาอ่านเป็นที่มาคุกข้านเพื่อความสะดวก การทำงานของเธอทั Titanic, ้งหลายจงทำความอุตส่าหพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดงานเพื่อความสะดวกแต่งานของเธอทั้งหลายนั้นก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วงานในสถานที่นี้ก็คือจิตตะทรวนโดยอาศัยหลักเบื้องต้นที่อุปชายะเหมาะขั้นตามเยี่ยงอย่างพระภูมิมรติสดาทรงสอนไว้ว่ามูลกรรมฐานเตสรโยมานะข้า ดันตาแตจูแตจูดันตาน่าฆ่าลงมาแต่ฆ่าเป็นตน้นเพียงเท่านั้นก็ครอบหมดแล้วในอัตภาพร่างกายของเราถ้าจากพยานโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเมือานาน่อพิจารณาหนังให้เห็นเป็นหนังอย่างชัดเจนตามสมมติขัน้นนี้แล้วเราก็จะเห็นสภาพของร่างกายที่ปราศจากหนังเป็นอย่างไร เวลานี้หนังหุ้มห่ออยู่พอเป็นสัตว์เป็นบุคคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านมีคุณค่ า, ามีราคามียศท้าววรทยาศัสตร์สูงต่ำพอพูดกันได้พอนิยมกันได้พอหนังออกแล้วเท่านั้นมีตั้งแต่มแมลงวันนั่นแหละธรรมนิยมเราคิดอีกมีการพิจารณางานของผนเป็นหนังนถนัดในอาการใดงานชิ้นใด อย่าว่าตั้งแต่ยังอาการค่าดนี้คือเจสาลมารัาคาลาซาเตโตผมขนเล็บฟังหนังนี้เลยอาการทึงสามถึงสองอันใดเป็นที่เหมาะสมกับจดิติใจออกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วแบบเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูมมกม้ามหมักหัวใจตับทางถุนไตปอดใช่ยาใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่สิงเหล่านี้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 เมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเราจะสงสัยไปไหนนี่คืองานของเราเป็นงานผอดถอนที่เดชตาสะระที่เรียกว่าสมุทัยให้พิจารณาอย่างนี้ทางด้านของอย่างทัตติให้ประคับประคองเสมอพยายามสั่งสมให้มีขึ้นรักษาสติให้ดีเราอยากเห็นงานใดยิ่งไปขวางงานรักษาสติ แลาจะเห็นสิ่งอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นภัยต่อเรายิ่งกว่า้งหม่ไทยที่เกิดขึ้นจากใ จ, จแสดงออกมาในแง่ต่างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รุ่มหลงเพราะไม่มีสติปัญญาสามารถแก้ไขและรู้เท่าทันมันจึงเป็นจอมศาสดาของโลกกระาำนี้ได้เลื่อยมาจนาทั่งปัจจุบันนี้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 ล้วนแยะตั้งแต่ทำเครื่องถ อ, ถอนที่เละตั้งนั้นที่ท่านชี้แจงแสดงไว้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะถอถอนกิ่เลสออกจากภ า, ายในจิตใจคนได้แม้แต่ชิ้นเดียวกองข้ามกับสั่งสมกิเลสขึ้นภ า, ายในตัวโดยไม่รู้สึกตัวมันก็กลายเป็นการบวชเข้ามาสั่งสมกิ่เละผิดกับความมุ่งหมายของธรรมและาศาสตรที่ท่านสั่งสอนไว้นี่แหละความปร า, าศจากสติ ความปราศจากปัญญาย่อมปรากจากเหตุผลย่อมปราศจากความจริงไปเดินไม่รู้ตัวอย่างนี้ถ้ามีสติมีปัญญาความจริงจะหนีไม่พ้นต้องทราบได้อย่างชัดเจนในหลักภาวนาหลักภาวนานี่แหละเป็นหลักที่จะรื้อถอนสิ่งที่รบทุงลังอันเป็นค่าศึกต่อจิตใจมานานจอมพบจอมชาติก็คืออวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญยาวิญญาณจนกระทั่งสมุรโยโหตินี่คือ ธรรมชาติที่พาให้สัตว์เกิดสับ ต, ตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีเวลาจบสิน้นคือเชื่ออันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละกษัตริย์แห่งพิเรนทั้งหลายนี่จอมกษัตริย์ของพิเรนก็คืออวิชช า, าแขนงของอวิชชาแต่และขแขนงขแขนงก็แสดงมาเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่มาเป็นกลิ่นใหญ่ๆสามกลิ่นแล้วั้นแต่ขแขนงออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จะทำลายสิ่งตรานี้จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอํานาจของสติกับปัญญาเป็นสําคัญมีตัทธาความเขียนเป็นเครื่องหนุนหลังพากันจำเอาไว้อย่างถึงใจในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาสาวกทั้งหลายท่านดําเนินอย่างนี้นทางสนากระฉามนี้ให้นึกน้อมถึงปฏิปทาของท่านที่พาดําเนินมาไม่ว่าจะออกจากสกุลใด เมื่อได้สนับธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความรำสายอย่างถึงใจแล้วบุกเข้าป่าเข้าลวบเข้าเขาอดอิ่มอะไรไม่คํานึงเท่านั้นขอแต่ให้รู้ให้อย่างเดิมองเดิมทำไม่ถอดถอนยิ่งเด็ออกจากภายในจิตใจแล้วเป็นที่พอจัดเพราะฉะนั้นปฏิปทาของขั้นจริงราเรื่อหนึง่งนาเรียกว่าสุปฏิปโนอุธุปฏิปัโนญาเนี่ยสามีกี่ปฏิปาาาัปปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติ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 สงฆ์ข้ อ, องหาซึ่งกันและกันแล้วโลกนี้อยู่ด้วยกันเพราะการสงเคข้อสงหายิ่งทําด้วยแล้วเมื่อมีอยู่ในภาระิจในใจแล้วทําไมจะเฉลี่ยเผือแพร่จัดโลกด้วยความสงสารเมตตาล้น้วนไม่ได้ละ่ะนั่นนี่แหละอันดับแรกจึงพยายามตักตวงให้เพียงคอกับความต้องการอย่าเห็นความคิดใดที่เป็นใครยิ่งกว่าความคิดที่พิเรกบ่งการออกมา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 คำว่าพุทธังสนากระฉามินึกน้อมพระองค์เป็นที่หรือพานาจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจอ ย, ย่างไม่แล้วยังต้องยึดหลักพิบัติธาที่ทรงนำเนินมามีศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเข้าวัดเข้าไว้ในจิจตใจสางฆังสนากระฉามิก็เหมือนกันถือองค์สุปฏิอุชุญาญาฉามิจิปจิปั่ ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานทำขีพระเพศคือการปฏิบัติดีชอบตรงไปตรงมาด้วความรู้แจ้งเของชินด้วยความมุ่งมั่นของตนจนกลายเป็นสามีจีกรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจะไม่พ้นจากความมันลุลึกความเห็นแจ้งเห็นชินในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเป็นแต่เพียงว่าพิเดชสมู่ไทยทั้งหลายมันปกปิดกำบังน้ำที่ใสสะอาดที่สุดคืออามาตะธรรม อยู่เท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้เปิดน้ำเวกจอกแหน่ออกจา ก, ก จ, จิตใจจอกแหนนั้นหมายถึงกิเลสอาสวะประเภทต่างๆคำว่าเวกก็หมายถึงว่าควาดออกให้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราแล้วน้ำอำมะตะจะไม่ไปถามที่ไหน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 ก็ได้สรรมะธรรมก็ได้คงเส้นคงวาเป็นอนันตาการอนันตรัจิหาระหว่างไม่ได้ไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเถี่ยวข้องได้เลย mm. ให้เปิดลงที่นี่ทุกจะทุกมากทุกน้อยเราเคยทุกมาแล้วยาหวั่นไหวให้เอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงทุกนั้น mm. ค้นหาเหตุมันเกิดทุกเพราะอะไร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 ถึงจะทราบข้อเทจ็จจริงของสิ่งเหล่านี้มีสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องทดสอบถึงจะทราบข้อเท็จจริงซึ่องบรรยากาศแล้แวแยกแยกกันออกโดย ล, ลําดับกันะจะเป็นไปเพื่อจิต ถ, ถ้ายังไม่เป็นสมาธิเมื่อสติเป็นเครื่องรักษาจิตอยู่เสมอแล้วจะต้องเป็นสมาธิคือความมั่นคงของจิตความสงบของจิต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 เป็นที่สบายเป็นที่สงบจิตใจไม่ได้จากพิจรารณาทางด้านปัญญามันก็กลายเป็นปัญญาแบบเลยถูกกิเลสความพุ่งชัน่นปัญญาอารมณ์ลากออกไปหมดเสียด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโคติมห้าในสร้างสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเพราะมีอายุสูงมากนะคือจิตที่พิจร า, นานรณาด้วยความอิ่นตัวหมายถึงสมาธิ จิตมีความสงบร่มเย็นแล้วมีความอิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์อะไรจะพิจ า, ารณาอารมณ์อันใดก็ตามกรรมฐ า, านในแง่ใดก็ตามอาการบรรดาอาการสามที่สองที่มีบในร่างกายนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาตั้งขงญญานหนึยย่อย่างจิตใจยอมตั้งหน้าตั้งตาทํา ง, งานด้วยความมีสติสังเป็นชิ้นรู้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาถอดถอนเป็นช่องเป็นทางไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อถึงการที่ ถึงเวลาที่จะพิจารณาปัญญาเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ทําหน้าที่ของปัญป ญ, ญาไปเรื่อยความมีสติไร้รองวัลด้วยเหตนด้วยผลในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายที่มีในร่างกายและจิตใจนี้สติเป็นของสาคัญปัญญาจะทําหน้าที่ไปเรื่อยคำว่าอนิจจังมันครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจในบรรดาขันห้าก็คือกองอนิจจังทุก ข, ขังหน้าตาหนึ่ง กองรูปรูปมีที่อาการอาการสานที่สองคือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาจะอย่างลงในอาการใดก็ตามด้วยความเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นการกระเทือนถึงกันหมดจะอย่างใน อ, อนิจจังเราจะถนัดในพิจารณาเรื่องอนิจจังในอาการใดก็ตามในบรรดาการสานที่สองนี้ก็ซึง้งแล้วทราบสา้สานไปทั่วๆกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทำนี้เกี่ยวโยงกัน เมื่อเข้าใจในแง่หนึ่งย่อมสามารถจะเข้าใจในแง่หนึ่งได้ในขณะเดียวกนันนี้จังทุกของอนัตตาพิจณารูปเอาเนี่ยกายนี่แหละทําขันเมื่อจิตอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณาให้แรกละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าจิตพิจารณาช้านี้เร็ว ความเข้าใจเป็นของสําคัญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ํำๆซักๆจนเป็นที่เข้าใจแน่ชัดนั่นเป็นเป็นความถูกต้องเราไม่ต้องไปนักเที่ยวแห่งการพิจารณาถือกายนี่แหละเป็นวงงานเป็นสถานที่ทํางานของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุน ล, ลงไปที่ตรงนี้ตัวสนทนาร่างกายเรียวกว่าเที่ยวกรรมฐ า, านกรรมะประวัตการกระทําฐานะคือที่นี่ทําอยู่ที่นี่นะกรรมฐ า, าน พระพุทธเจา้าท่านรู้แจ้งเห็จริงในงานชิ้นนี้เหล่านี้สาวกทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงในงานกรรมฐานซึ่งมีอยู่ภายนในร่างกายและจิตใจนี้ไม่รู้จักที่ไหนเพราะสัจธรรมมีอยู่ที่นี่ข้างนอกกับนอกกรรมาภายนิยเทียบกันได้ทุกสัตวทกส่วนเมื่อรู้แจ้งจริงนี้ๆๆๆแล้วภาย น, นอกกับหนมีปัญหาอะไรเพราะมันเหมือนเหมือนกันในโลกนี้ห้ามพิจารณาอย่างนั้นอย่าถอยหลัง อุบายวิธีต่างๆก็จะพยายามสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกําลังความสามหักไม่เคยลีลับในแง่ใดเลยเพรได้อุรมถ่องสอนหมู่เพื่อมนมาเป็นเวลาทั้งยี่สิบกว่าปีแต่ออกสังคมเหมือนาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสมควรจะมีองค์ได้รับความเข้าอกเข้าใจในอุบายวิธีต่างๆและการสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจพูดกองกองเวลาไม่ไดสอนด้วยความสงสัย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 ตลาดแห่งมะพรุนิพานอยู่ตรงนี้มไม่มีอะไรมากีดกันการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาต้านการมะพผลนิพานเวลาสถานที่นั่นทีนี้ความยืดยานานแห่งกาลเวลาจะมาทำลายมะพรุนิพานหรือกีดกันมะพรุนิพานให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้ละมะพรุนเป็นไปไม่ได้มีแต่สมุทัยตัวนี้เท่านั้นตัวสำคัญหรือทุกข์กับสมุทัยสองประการเป็นเครื่องปิดบงัง มักปุนิพานไว้ปัญญาไม่ออกก้าวเดินถ้าปัญญาออกก้าวเดินก็พิจารณาแยกแยะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภ า, ายในกายมันเกิดขึ้นส่วนไหนอะไรเป็นทุกข์แยกมันดูทุกข์อาการว่าหนังเป็นทุกข์คนตายแล้วหนังมี้ไหมไปท้อใครว่าไงมันไม่เห็นว่าไงแน่ทางนั้นก็ไม่ใช่หนังเป็นทุกข์ละสเออิเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นหรือเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์ว่าตรงไหนจอมันเข้าไปจอมันเข้าไปด้วยสติปัญญาเทียบเคียงกันกับเรื่องของใจ เทียบเทียมกันกับเวทนากับเนื้อหนังเอ็นกระดูกในอาการใดที่ว่ามันเป็นทภูมิแยกกันดูเมื่อเห็นหลายครั้งหลายผลชัดเจนเข้าไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือสรุปแล้วว่าร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายใจก็สักแต่ว่ารู้ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจิงแล้วไม่มีอะไรกระทบกันจิตก็ไม่กระทบสะท้านเพอรู้ความจริงแล้วอยู่เป็นปกติสุขมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นชัดคือ ถึงเวทนาของมันก็เหมือนกันเวทนาแม้จะเกิดขึ้นจากใจมันก็ไม่ใช่ใจเหมือนอย่างควานไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกองไฟแต่มันก็ไม่ใช่ไฟเนี่ยมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นยิ่งน้ให้ชัดเก็บนี่แหละของจริงอยู่ที่ตรงนี้ให้พ้นตรงนี้การบุกเบิกมาผลเพื่อมาผลนี้พ่านบุกเบิกที่ตรงนี้อตรงที่มันตีบันตันเวลานี้ที่เลตันหาว่าการมาตันหาวิปวัตันหาเนี่ยที่แสดงผลขึ้นมาเป็นทุกข์ ทุกทางใจมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสําคัญยน่นขึ้นมามักแต่ถ้ามันอยู่ในตัวนี้หมดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรหมาถึงองคปัญญาที่ปนนาญญาไขควรโดยเหตุโดยผลเรื่องธาตุสีนนดดออาาด่ดินน้ําลมไฟรวมลงไหนจังทุกขังอตาโดยสิ้นเฉิดนงสัมมาวาจาคนเราถ้าจิตเป็นธรรมแล้วพูดเป็นธรรมทั้งนั้น ทันก็บอกไว้แล้วว่าสัมมาวจาพูดเรื่องอะไรจึงเรียกว่าเป็นสัมมาวจาพูดในเรื่องสันเลขาธรรมก็มีแล้วสันเลขาธรรมสิบประการคือหนึ่งอภิชาตาความมากน้อยจะมีมากมายเพียงไรก็ตามต้องการไม่น้อยเท่านี้ไม่ต้องการมากพรุนพลังทั้งแบบทั้งหามัมนหนักจะตายไปเอาแค่นี้พอแล้วอปิจชาตาสันโดดคือความยินดีตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายมีก็ใช้ไม่มีก็ใช้ไม่นี้ก็กินไม่มีไม่กินมีเป็นขั้นรองลงมา อาสังสคณิกาไม่กุกตีตีมงมั่วสมซึ่งกันในกนันี่เป็นข้อหนึ่ง<ม>วิเวกตาชอบที่วิเวกสงัดที่ไหนที่สังัดให้อยู่เอาสังัดภายนอกแล้วก็ทำให้จิตสงัดภายในนี่<ม>วิเวกภายนอกแล้วก็วิเวกภายในนี่ไปเครื่องหนุนกันอยู่เช่นนั้นวิริยาลํมพาไม่ลดนะเรื่องความเปียงจะอยู่ในียบทใดก็ตามเพียงแต่หลับ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 ถึงเรื่องวิมุตถึงเรืองิมุดยาศาสนะแล้วก็สิบนี่สัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากัมมันตะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นงานที่ชอบที่สุดสำหรับพระเรานั่นหมายออนนี้ย้อนเข้ามานี่สัมมาอาชีวะเลี้ยงคีพชอบขั้นหนึ่งก็ซึบปิญญาโลกโพฉนังนิสาระปปชาตะเตยยาวเทืองช่างโฮกอะไรเนี บินสบายแล้วอาศัยกำลังปีแข้งบินเที่อบวชมาแล้วอาศัยกาลังปีแข้งเที่วบินสบายตามชาวบา้านเข้ามาสมาัสันนิเป็นงานที่ชอบของพวกเธอทั้งหลายจงทํงาความรสายานอย่างนี้ตลอที่นี้เถิดนี่นี่เป็น เ, เลี้ยงที่ชอบอันหนึ่งเลี้ยงที่ชอบประการสําคัญก็คือว่ายานํายาพิษอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นเจตัหาเข้ามาเผารนจิตใจอืม จิตใจที่พาชีวิตให้เป็นอยู่นี้ให้มีความราบรื่นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจมีธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาป้องกันนะ่ะสัมมาชีวะเลี้ยงที่ชอบเลี้ยงด้วยอัตถุธรรมเลี้ยงด้วยสติเลี้ยงด้วยปัญญาอย่านำกิเลสความโลมโลกความโกรธความหลงราคะทันหาเข้าเข้ามาเลี้ยงมันมันไม่ใช่เลี้ยงมันมาทำลายเนี่ยสัมมาวายามโมก็เพียนชอบเพี้ยนในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วนะท่านเพียนล้วมาบําเพ็ญบุญ อันบาป ท, ที่เกิดมีแล้วก็พยายามละแล้วพยายามสังสมกุศลที่ยังไม่เกิดความฉลาดท่านละกุศลกุศลแต่ว่าความฉลาดเกิดขึ้นภานจิตแล้วถ้าเกิดยิ่งขึ้นไปนก็มีท่านั้นสัมมาสติและเลอกอยู่ในสติปฐานสี่ก้าวเวทนาจิตธรรม เงี้ยสมาสติธัมมาสมาธิรวมลงไปไปแล้วถึงการรวมก็ให้เป็นความสงบไม่ต้องประดกวนเือจิตบางลายมือขณะที่ลงแล้วถอนไม่ขึ้นถ้าเราพยายามถอนหลายครั้งหลายหนพอถอนขึ้นมาแล้วไม่ลงเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแห่งสมาธิรายเช่นนี้นั้นจะรวมทั้งปีชั่วโมงก็าตาย ซอยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งถอนขึ้นมาเองอย่าไปบรบกวนด้วยวิธีการ ใ, ใดๆทั้งหมดนอกจากมีความเชนิชํานานกับสมาธิประเภทดีแล้วจะถอนขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้ลงเมื่อหร่ก็ได้หนึ่หนึ่เป็นร้อยหนึ่งจะเอาห้าเปอซ็นตก็ทั้งยา่าลายอย่างนี้มีเพียงห้าเปเซ็นตในสมัยปัจจุบนันนี้รู้สึกจะได้เพียห้าเปรเซนต์นอก น, นั้นกับสงบคือภายในจิตคิดได้ปรุงได้แต่ ปงอยู่เพียงแยบแยบนแยบอยู่ภายในจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างอื่นเรเรียกว่าสงบ mm hmm. จิตที่มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองอยู่ทุกระยะเรียกว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจง mm hmm. การที่จิตจะมีความมั่นคงของใจงขึ้นมาก็ต้องมีความมั่นคงทางความเพียรเป็นเครื่องหอน mm ุนเสมออืเนี่ยมัดแปดด้วยลงมาแล้วอยู่ที่ตัวของเราีทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ไหน ตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัติเพราะทำมีหลายขั้นมักแปดจึงมีหลายขั้นหลายภูมิอืมักแปดจะย่นเข้าไปจริงๆมันก็ก็ลงในในสติปัญญาลงนี้หมดผมไปแ ก, ก้กิเลส ต, ตัวไหนไม่พ้นจากสติปัญญานี่เลยกิเลสก็ละเอียดเข้าไปโดยลํำดับการพิจารณาร่างกายจึงเป็นสิ่งําพันที่จะถอดถอนราคาตัณหาได้ เวทนาสัญญาสังขารยนิญาณก็เป็นส่วนละเอียอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่มีความละเอียดยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นผู้ทํางานเมื่อได้รู้เท่าทันเรื่องร่างกายทั้งหมดแนละ้วปล่อยจิตจะไม่ยุ่งกับการาพิจารณาร่างกายเลยจะพิจารณาตั้งแต่เรื่องนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตพราะอย่างยิ่งสังขารคือความคิดความปรุง ตุงดีก็ดับตูงเชื่วก็ดับตุงชนิดไหนดับหมดดับหมดยบยบแยบ ย, บยบเมื่อสติปัญญาทันแล้วจะมีมันก็เหมือนกระแสหัวห้อยมันแยบแยบแยบเพราะมันไม่มีเงื่อนต่อเนื่องจากสติปัญญาทาันทันกันโดยหลักธรรมาชาติเมื่อนานเข้าไปนานเข้าไปชั้นนี้ชั้นานพอตัวแล้วตุงขึ้นในขณะไหนก็เท่ากับปลุกสติปัญญาให้รู้เท่ากันในขณะนั้นในขณะนั้นไปเรื่อยๆนีเ่เรียกว่ากีเรบรวมตู จะมาอาศัยธาตุผันคือร่างกายนี้ปัญญาก็สอดส่องมองทะลุไปหมดแล้วอุปทานหาที่ยึดที่มันม่นมาได้เพราะความรู้แจ้งจริงๆในสิ่งนี้ค่ะว่าธาตุต่ธาตุจริงๆเนื้อธาตุดินก็เป็นดินจริงๆท่านน้าก็ซึ้งพินัยกจริงๆท่านลมท่านไฟก็ซึ้งพินัยกรรจริงแล้วใครจะไปยึดเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเป็นตนได้อหรือเมื่อในยังถึงปัญญาขั้นนี้แล้วก็ถอนอุปทานขึ้นมาเอาอันใดที่ยัง ยังไม่ถึงอีกก็พิจารณาบีเช่นเวทนาตัณญาตัณหาปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมบีดก็ตามเข้าไปอีกแตพาะอย่างยิ่งสังขารความปรุงสัญญาความหมายนั่นหมายนี้มันหมายไม่ได้ถ้าลงสังขารไม่ด้วยให้มันแล้วมันหมายไม่ได้สังขารต้องแยกให้ซะก่อนสัญญาถึงจะไปหมายนู้นหมายนี้ออกไดนะ้ถ้าไม่ออกนี้ก่อนหมายไม่ได้เหสติปัญญาก็ทันแล้วก็รู้เท่าด้วยรู้เท่าเรื่องกายแล้วรู้เท่าเวทนา รู้เท่าสัญญาทั้งขาหนึ่งอย่างซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่กับใจโรงเดียวมารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ยืดเวทนาก้ักว่าเวทนาทั้งขาข้าศึกจักรวาลังขาคือความคิดความปรุงเท่านั้นสัญญาสญญามัครใจหาตนหาตัวไม่ได้ริญญาก็รับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสพอสิ่งที่มาสัมผัสผ่านไปความรับทราบนี่ประดับไปพร้อมแต่ความรู้นั้นไม่ดับเรียกว่าจิตอันนั้น ที่รับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบแล้วดับไปพร้อมกับสิ่งมากระทบดับไปนั้นเรียกว่าวิญญาตเนี่ยมันก็รู้เท่าเฮ้ hey, มันเหนืออะไรเนี่ยไรอย่าง น, น, นี้อะไรเฉลต์แต่อีตั้งเขาไปด้วยปัญญาสิ่งใดถ้ารู้แล้วต้องปล่อยปล่อยป่อ ย, ลอยแล้วไม่พิจารณาพอรู้แล้วพี่นาหะอะไรน่ะรู้ตัวเองนั้นเรียกว่าสันติติโกไม่ต้องให้ใครมาบอกพกรูพระเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันติติโกรู้เองปัจจตังเวสตบวินยูหิน ท่นรู้ทั้งหลายถึงรู้โดยลําพังตันเองรู้อย่างพ่อต๋อก็มีผู้ปฏิบททัติมิเท่านั้นจะรู้เรื่องของตัวเองถ้าเราปฏิบัติไม่รู้นี่เราก็ปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องของเราแต่รู้คือร่างกายทุกปวดเวทนาสุข ท, ทุกเฉยๆ ท, ทั้งทางร่างกายและจิตใจชั้นยาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจ เยนยานความรักษาเนี่ยก็รู้เท่าทันก็มีเป็นอาการห้าอย่างเท่านี้แล้วอะไรที่มันยังเหลืออยู่นั่นพิเลศเมื่อถูกตะล่อมอุปทานถอนเข้าไปถอนาไปแล้วก็ยังเหลือแต่อุปทานของใจเท่านั้นเลยนั่นหลักตัววิชาจริงๆคือมา n ะความถือใจในสังโยชน์เบื้องบนท่านว่าไว้ mana อุทจฉ า, า, าวิชาเนี่ยเบื้องบน รูปราคะรูปราคะมานะอุทะจะอวิชชานี่คุณย่อเบื้องบทอย่างละเอียดเครื่องผูกจิตใจอย่างละเอียดอุทะจะความฟุ้งอันนี้ไม่ได้หมายถึงความฟุ้งชัน่นำคาญไปแบบสามัญชนที่เป็นปกันทั่วไปแต่ความฟุ้งความเคําว่าฟุ้งหมายถึงความเ พ, พลิในการทิิพิจารณาในแง่ธรรมทั้งหลายจนลืมเข้าพักสมาธิอันเป็นที่สงบ ทักผ่อนหย่อนใจให้มีความสะดวกสบายเพื่อเอากําลังในการพิจนาต่อไปแต่จิตมีความเพลินในหน้าที่ทำงานทนายจึงเรียกว่าอุดทัศน์คือเพลินเกินตัวท่านก็อยากสังโยชนเหมือนกันนหมานะก็ ค, คือความถือความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเต็มไปด้วยอวิชชาที่นี้อวิชชารวมตัวแล้วลูกน้องของอวิชชาถูกตัดแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางตาตัดเข้าไปมาแทกสิงอยู่จัง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาอุปทานไม่มีที่ยึดเข้าไปยึดใจนั่นที่เรียกว่าทิเลชมันรวมตัวเข้าไปยึดใจเก็ไม่พ้นสติปัญญาที่จะจังเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันเหมือนพิจารณาเข้าไปถึงอุปทานที่มันยึดใจอันเป็ น, นตัวสาคัญความสว่างสวายความกระจ่างแจ้งความอาบความหามอ ย, อยู่ในนั้นหมดพิจารณาเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับสภ า, าวะธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาและรู้เท่าทันมาแล้ว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 อภิชาดับไปก็อวิชาจตเววะเส ham, สวิลาลาวิลากานิโรธาสร้างฆารานิโรโถสร้างฆาญายาณิโรโถจงสร้างถึงนิโรโถโหติเมื่อวิชาดับสังขารสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยมันดับไปเพราะเพราะรากแก้วมันถอนขึ้นมาแล้วอะไรมันก็ตายไปหมดนั่นแหละไม่ว่าหลักปอยไม่ว่าสิ่งกายนว่าดอกใบอะไรมันตายไปหมดถ้ารากแก้วมันถูกถอนขึ้นมาแล้วอวิชาคือรากแก้วของใจ สองวัตถจัสมันสิงกูที่จใจเมื่อสติปัญญาอัตโนมตัติมหาสติมหาปัญญาไดคุยเขียบขุดค้นมาจนแหลกละเอียดแล้วทำลากย่างแหละเอียดแล้วเราจะไปหาวิมุตที่ไหนนั่นแหละวิมุตบุดพ้นแล้วจ้ะอำ น, นาจแห่งทพิเดปัญหาอาสวะทั้งมวลเนี่ยอยู่ตรงนั้นสานทิทธิโกบอกขึ้นมาเองไม่ต้องถามใครน งานของผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักบวนักปฏิบัติเรามายุติกันตรงนี้เองนี่หละงานใหญ่ที่เราทำมาตั้งแต่เจสารุมาณคานประตูประตูตมาดับที่ตรงนี้มาสิ้นสุดุ้ยตังกรรมาจิยากระตังกลงางมียานาประนาพลังอิสราเอลติได้เสร็จกิจงานของพระศาสนาในเสร็จเพียงเท่านี้ที่จะทำให้ยิ่งยหญกว่านี้ไปไม่มีเพราะรู้แจ้งจริงเต็มส่วนแล้วนั่นอ สุดงานจบทํางานเสร็จเสร็จที่ตรงนี้งานที่พูดเบื้องต้นในขั้นเริ่มแรกของการเทศมาจบที่ตรงนี้งานของทํามีความจบสิ้นลงได้งานโลกไม่มีจบสิ้นทำจนกระทั่งวันตายพุนิตายไปพืน้นมาทําแทนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดงานอันนี้ต้องทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทําเต็มสติปัญงานแล้วจะต้องยุติกันที่ตรงนี้ตลอดถึงการเกิดการแจกการเจ็บกางตาทั้งหลายที่มันอาศัย กิจวิชาพาเป็นเชื้อนั้นมันก็ดับไปพร้อมๆกันหมดตัวไงเอางี้นั่งปฏิมิลูกศิตย้าคขอ่อนแอได้เลยแล้วมาหาของจริงทำไมจะมีแต่ของกลอมเต็มหัวใจวันไหนเจอนอ น, น, อนจมอยู่กับของกลอมล้าไม่เอือมาอาตัวของบ้างเหรอพราพูดถึงเรื่องจบงานสิ้นงานงานเส็บสิ้นแล้วก่อน จกแค่นี้เอาต่อไปห้รรท่านปัญญาอธิบายให้หมูผู้อ่นฟัง